เขาประพฤติปฏิบัติรมแล้วเขาบรรลุธรรมนะคนที่เขาบรรลุธรรมนะเขามีลักษณะอย่างไรเข้าใจความหมายของเขาอย่างไงก็ะจะขอหยิบยกตัวอย่างบุคคลบางครั้งเราอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ขอเล่าซ้ำก็ได้มีลูกศิษย์ของพระคีริทัตตะตอนนั้นเขาเป็นคารวาัตนะ ก็มีครอบครัวแต่งงานกันนะก็มีลูกมีอะไรต่างๆอยู่มาวันหนึ่งใช่ไหมเขาไปตัดผมที่ร้านตัดผมตอนเช้านะเขาก็ส่องกระจกก็ปรากฏว่าเขานั่งให้คนให้ช่างตัดผมนะตัดผมให้เขาอยู่เขาก็นั่งที่เก้าอี้แล้วก็มองที่กระจกส่องดูหน้าตัวเอง ช่างตัดผมก็ตัดไปเรื่อยๆเขาก็นั่งเพ่งพิจารณาอยู่พอส่องกระจกไปส่องกระจกมาทีนี้ใจมันนึกคิดก็ปรากฏ ว, ว่าเห็นภาพตัวเองนี่ชัดเจนในกระจกอะเหมือนกับซากศพเหมือนกับสิ่งที่ปฏิกูลก็คือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามก็เกิดความเบื่อหน่ายในจิตใจะช่างตัดผมก็ตัดไปเรื่อยๆ ตัดไปตัดมากันไกลเป็นหนีบหูแกเข้าเห็นไหมเลือดตัวแกสะดุ้งสะดุ้งปั๊บจิตใจตอนนั้นของแกนะก็ปรากฏว่ากำหนดรู้เท่าทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าแกสว่างโล่งแจ้งขึ้นมาในตัวของแกนะในคนนั้นนะนี่คือประวัติของบุคคล บุคคลนี้เขาทำอะไรมาก่อนนะั้นเขาบอกว่าเขาเคยเกิดเป็นฤาษีมาก่อนเป็นครูบาอาจารย์คนตอนนั้นนะสั่งสอนลูกศิษย์มาตั้งหลายร้อยคนก็ปรากฏว่าได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็นั่งประพฤติปฏิบัติมานานนะนั่งแบบสมาธินะก็ปรากฏวา่าเทนิสได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้า ท่านเสด็จมาก็อยากจะเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าไปกราบทูลถามเรื่องธรรมะต่างๆข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไปไปในระหว่างทางแกไปไม่ถึงตายเสียก่อนในระหว่างทางแกก็กลับมาเกิดใหม่บุญแกยังมีแกก็เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนา มีครอบครัวแต่งงานก็ไปที่ร้านตัดผมนะนี่คือคนที่เคย <c oughs> ประพฤติปฏิบัติมา ก, ก่อนแกก็เล่าประวัติให้ภิกษุทั้งหลายฟังตอนนั้นนะนี่ตอนที่บรรลุธรรมเสร็จเรียบร้อยจนเป็นพระอรหันต์แกก็เล่าอาการว่าตอนที่แกอยู่ที่ร้านช่างตัดผมแกมีความคิดนึกคิด อย่างนี้ว่าแกพิจารณาร่างกายของแกนะว่ามองกระจกไปมองกระจกมาแล้วเห็นรูปของตัวเองเนี่ยนะรูปร่างสรีระของตัวเองใบหน้าของตัวเองที่ภรรยาชมตัวเองว่าหล่อว่าดูดีนะแต่พอแกพิจารณาไปพิจารณาเข้าโอ้มันไม่เป็นอย่างที่ภรรยาแกพูดเนี่ย แกเห็นภายในของแกจิตใจแกก็นึกได้ทีเนี้ยเกิดความเบื่อหน่ายในรูปสเลระในร่างกายของแกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าที่จะเก็บมายึดไม่น่าที่จะเก็บเอามาไว้ในตัวเองในความรู้สึกของแกแกก็บอกว่า จิต้องแกตอนขณะนั้นตอนที่ขณะตัดผมนั้นได้เพ่งมองรูปในกระจกเห็นตัวเองเนี่ยชัดเจนปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สวยไม่งามพอดีช่างตัดผมเขาก็ตัดไปกันไกลก็เปห น, นีบหูเขาแกรู้สึกป้าบขึ้นมาทันทีว่าอ๋อสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเราเนี่ยมันไม่ใช่ฮะ จิตก็เกิดความเบื่อหน่ายแกก็ไปบำเพ็ญเพียรต่อจึงได้รู้ว่าสิ่งที่คนยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามันไม่ใช่ถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่จิตมันยังไม่ถอนความยึดมั่นถือมั่นอ น, นันมันยังไม่หลุดมันก็ยังเกาะกลุ่มอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อยู่เช่นเดิมนี่คือประวัติของบุคคลคนนั้นนะที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่พบแต่ชาติที่ผ่านมาก็มาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วแกก็ได้บำเพ็ญเพียรต่อก็บรรลุปเป็นพระอรหรันต์หลวงพ่อเทียนเราก็เช่นเดียวกันใช่ไหมหลวงพ่อเทียนประวัติก่อนที่จะบรรลุธรรมนั่นนะทนะ่านก็เล่าประวัติ มีงานมหรสศพงานบุญกระถินที่บ้านนะปรากฏว่าไปขอเงินกับเมียเมียก็พูดแกก็โกรธใช่ไหมโกรธก็ตั้งปฏิญาณเลยว่าถ้าไม่หายโกรธเนี่จะไม่กลับบ้านหนีออกจากบ้านไปเลยไปประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายปีกลับมาทีนนี้ท่านปฏิบัติแบบไห น, นท่านก็ยังยังไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็น นั่งสมาธิหรือพุโทโธหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอทีนี้จากสิ่งที่ตรงจุดนั้นมันสะสมเข้ามาเรื่อยๆท่านก็เลยมาหาวิธีการเห็นไหมก็มาทำยังไงถึงจะรู้ธรรมะท่านก็เลยมาพิจารณาเรื่องการเคลื่อนไหวยกมือเคลื่อนไหวไปมาก็ปรากฏว่าทำแป๊บเดียวก็รู้ธรรมะเลย จิตมันสะสมมานานพอมาทําแท บ, บเดียวก็รู้อันนี้ก็อยากจะเล่าให้เราฟังว่าบุคคลที่บรรลุธรรมนะนะว่าขณะที่เขาบรรลุธรรมเป็นอย่างไรมีหมอกำพลอยู่คนหนึ่งนะมีหมอชื่อกำพลนะท่านก็ร่างกายดีดีแต่พอท่านประสบอุบัติเหตุขึ้นมาก็พิการร่างกาย เคลื่นอนกายท่านเคลื่อนไหวได้ก็เฉพาะมือกับกระพริบตาอย่างอื่นเคลื่อนไหวไม่ได้ท่านก็หมดท่อนทางพอหมดท่อนทางท่านก็มาพิจารณาได้ฟังธรรมะก็อาศัยสติเนี่แหละตํนดที่มืออย่างเดียวน ะ, ะกระดิกมือกระพริบตาสองอย่างท่านก็สามารถที่จะทําไปเรื่อยเรื่อยท่านก็รู้ธรรมะได้ จนถึงทุกวันนี้ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์คนนี่จากคนธรรมดาธรรมดา น, นี่เพียงแค่กระดิกนิ้วมือกระพริบตาก็รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นหลักธรรมะที่ง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ว่าบุคคลผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นนะโพธิปักธิยธรรมสาสิบเประการแต่วันนี้ขอยกเอาพละห้ามาให้เราฟัง ภลระห้าคืออะไรคือเริ่มตั้งแต่ศรัทธาซะก่อนศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมีความเชื่อมั่นไหมว่าบุคคลผู้ที่เขาทําไปแล้วเนี่ยเขามาลุ่มทำเนี่ยมีความเชื่อมั่นไหมยอย่างเงี้ยเช่นพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้พระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเดินทางไปก่อนแล้วเนี่ย เราเชื่อมั่นศรัทธาในท่านไหมมีความเชื่อมั่นไหมทีนี้เราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมว่าจะไปถึงแบบนั้นได้ไหมเกิดจากศรัทธาเราก่อนเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเราทำได้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ข้อต่อมาข้อที่สองคือวิริยะวิริยะนีพแปลว่า คุณกล้าพอไหมนะกล้าพอที่จะสู้กับตัวเองไหมนะพระโพธิสัตว์ชื่อว่าพระมหาชนกตอนนั้นที่ท่านว่ายน้ำอยู่ <c oughs> อยู่ในทะเลว่ายน้ำเจ็ดวันปรากฏว่าลูกน้องตายหมดเหลือแต่พระมหาชนก เหลือล่มมันนะท่านก็ไหว้น้ําอาศัยความเพียรของท่านไหว้ไปก็มีคนคนหนึ่งเห็นเนี่ยหอกมาจากบนอากาศคือเทวดานะนะก็มาถามท่านว่านี่พ่อหนุ่มฝั่งก็มองไม่เห็นแล้วท่านจะพยายามไหว้ไปทไําไมไหว้ไปก็ตายเปล่าๆสู้ท่าน ตายเลยไม่ดีเลยอย่างนี้นะพระโพธิสัตว์ชื่อว่ามหาชนกท่านก็พูดบอกว่าแม้ฝั่งเรามองไม่เห็นเราก็จะเพียรพยายามนะเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายตรงนั้นคนทั้งหลายก็จะไม่นินทาเราว่าเสียแรงที่เกิดมาไม่บำเพ็ญเพียรอะไรเลยเห็นไะเราก็เหมือนกันทีนี้เราก้าพอไหม คือวิริยะนี่นะเพียนพอไหมอาศัยความเพียนกล้าพอไหมเห็นคนอื่นเนเวลาประพฤติปฏิบัตินั่งยกมือสร้างจังหวะขณะง่วงนอนทเนี่ยมันก็จะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นความคิดฟุ้งซ่านเรากล้าพอที่จะออกจากความง่วงไหมอย่างเงี้ยกล้าพอไหมคนอื่นเขา ง่วงอ่โพธิสัตว์ลูกน้องถ้าตายหมดอย่างเงี้ยแต่โพธิสัตว์ยังไม่ตายอ่เราเป็นดังโพธิสัตว์ดูซิว่าเราจะออกจากความง่วงได้ไหมอ่ความง่วงมันมากระทบกับเราอย่างเงี้ยกล้าพอที่จะออกไหมกล้าพอที่จะออกจากความนึกคิดปุงแต่งไหมอ่านี่นะคือความหมายคือคือเวรียะคื อ, ค, อ, ค, อความกล้า ต่อมาทีนี้สติข้อที่สามสติเราทำแบบนี้นะสิ่งที่เราทำเลยนะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวไหมมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราไหมนะเราทำมือยกมือเคลื่อนไหวไปมาพอไหมอย่างเงี้ยสำหรับสติที่มันอยู่กับกาย อยู่กับใจเราเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีให้มันไหมมันเกิดมีไหมอย่างเงี้หรือมันล่องลอยไปที่อื่นนะถ้ามันล่องลอยไปที่อื่นเรากลับมากลับมาที่สิ่งที่เราเคลื่อนไหวนนะี่แหละไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่นี่คือสติข้อต่อมาข้อที่สี่สมาธิ จิตมันตั้งมั่นไหมเวลาเราทำถ้าเราจิตเรามันยังไม่ตั้งมั่นมันยังสัดสายไปมามันก็ไม่รวมเป็นสมาธิหล่กจิตนะมันก็จะไปปรุงแต่งถ้ามันเป็นสมาธิมันก็จะตั้งมั่นได้นานเรายกมือสร้างจังหวะไปมาก็อยู่ได้ เพราะมันมีสมาธิหล่อเลี้ยงถ้ามันไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงทีนี้ยกมือไปยกมือมามันก็อ่อนแอละทีนี้พอมันอ่อนแอแล้วมันก็ขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากจะทำไม่อยากจะยกมือยกมือก็ปวดแขนละทีนี้ปวดแขนแล้วก็ท้อแท้ท้อแท้แล้วก็หงุดหงิดลาคาญฟุง้งซ่านเกิดขึ้นตามตา ม, มาเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีไม่อยากจะทา นี่คื อ, อสมาธิข้อที่ห้าก็คือปัญญาพิจารณาเท่าทันมันไหมอาการที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่เราทำเนี่ยพอเพียงไหมเราดูสิปรับสมดุลร่างกายดูยสินั่งตัวตรงๆอย่างนี้ทำสมาธิให้มันมั่นคงให้มันมี สติสมาธิอยู่ในตัวมันนะแล้วก็อาศัยความเพียนแผดเผามันเพราะฉะนั้นจึงมีคำหนึ่งว่าอาตาปีสัมป ช, ชานสติมามีความเพียนเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติอยู่ในตัวเราเนี่ยให้มันครอบเผากันเถเนี่ยเผาอะไรเผากิเลส อาศัยความเพียรเผาอาตาปีความเพียรเผาหลวงพ่อท่านก็จะแ น, นะนําอำลองนั่งสร้างจังหวะดูสิอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งสร้างไเคลื่อนไหวไปมานั่งไปนานๆเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงนย่างี้ยรู้สึกปวดขาเหนื่อยอความเพียร ลองใส่ความเพียรเผาเข้าไปดูสิอย่าเพิ่งเอาไฟออกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะปฏิบัติไปปฏิบัติมาแล้วก็จะเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยเพราะเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยครับมันไม่นิ่งเ็งนไหยความเพียรมันไม่เผามันแล้วเห็นไหมก็จะไปอ้างว่าโอ้ถ้านั่งนานเนี่ยเหมือนกับคนโง่อย่างเงี้ย เขาก็จะไปใส่ความคิดนี้ให้โอ้นั่งนานนี่คือคนโง่นะไม่ยอมเปลี่ยนสักทีอย่างเงี้ยพอเราได้ยินแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนละทนนี่โอ้แบบนี้เอาท่าที่สบายที่สุดพอนั่งปึ๊บอ่ะมันก็งุนงิดแล้วก็เปลี่ยนเราก็ไม่ทันพิจารณามันเลยแล้วก็เปลี่ยนก่อนอ่ ะ, อะแบบนี้ความเพียนเครื่องเพากเกลียด คืออัตาปีมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เผาเกลี่ยละเนี่ยพอมันจะร้อนอย่างเงี้ยเมืออกับเราต้มน้ําก่อไฟพอไฟมันจะร้อนเราก็ไปจับดวนฟืนออกเสียนะเอาด้วนฟืนออกน้ําที่มันจะร้อนมันก็ไม่ร้อนไฟที่มันจะลุกโชนมันก็ไม่ลุกมันก็จะดับลงอีก นี่ท่านเรียกว่าอาตาปีเนี่ยเอาฟืนใส่ให้มันคือความเพียรคือการยกมือสร้างจังหวะของเราเนี่ยนะคือความเพียรเนี่ยที่ยกมือไปยกมือมาเนี่ยคือความเพียรที่เราต้องเอาใส่ให้มันเปียบเสมือนฟืนอย่างเงี้ยเราก็เพ่งพินิษพิจารณาดูมันการเคลื่อนไหวไปมาที่นี้ก็มีปัญหาว่าขณะที่เราประพฤติปฏิบัติทม ก็จะเกิดอาการดังนี้หนึ่งการมัชันทะสองพยาบาทสามทินามิทะสี่อุทันจะกุกุก จ, จะห้าวิจิกิจฉาคืออะไรสิ่งเหล่านี้ที่มันมารบกวนในเวลาที่ขณะเราประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรล่ะสิ่งเหล่านี้ คือนิวอนทั้งห้ามันมารบกวนเราในขณะที่ประพฤติปฏิบัติกรรมาัชนะพอใจไหมในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติคิดไปอย่างอื่นไหมปรุงแต่งไปอย่างอื่นไหมพยาบาทเอ๊ะครูบาอาจารย์ท่านทำไมท่านไม่ตรงเวลาทำไมท่านนานเกินไปทำไมท่านอะไรเกินไปเกิดพยาบาทไห้กันน สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหล่าเนี้ยท่านเรียกว่าเรามาถูกทางแล้วนะะก็คือเป็นด่านแรกนั่นเนี่ยที่จะพบธรรมคือเราพบธรรมนั่นแหละเนี่ยนี่เขาเรียกว่าธรรมธรรมฝ่ายอากุศลสิ่งเหล่าเนี้ยความง่วงโดยเฉพาะความง่วงเนี่ยถินนามิทะถ้าเราง่วงแสดงว่าเรามาถูกทางเลยนะ อย่างเงี้ยอเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติก่อนท่านก็เป็นมาแบบนี้อ่ท่านก็เดินตามทางอย่างนี้มาแสดงว่าครออูบาอาจารย์ท่านก็ง่วงเหมือนกันเราก็มาถูกทางแล้วเนี่ยอะแต่ทีนี้เราจะผ่านความง่วงเหล่านี้ไปได้อย่างไรทีนี้อ่านี่ปัญหาของเรามันอยู่ตรงนี้แหละความ ง, ง่วงที่มันมาเกาะกับ ตัวเร า, เาสมมติว่าเราไม่ได้มายกมือสร้างจังหวะเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราทำงานอย่างอื่นทำไมมันไม่ง่วง เ, เราทำงานอย่างอื่นไปทั้งวันไม่เห็นมันง่วงเลยหรือเราเรานอนเนี่ยทำไมมันมันไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยนอนอยู่แต่ไม่ค่อยหลับหลับตาแต่มันไม่หลับสนิทเนี่ยทำไมทั้งวันเนี่ย แต่พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมมายกมือสร้างจังหวะทําไมมันมันง่วงอย่างเงี้ยมันหลับดีดีมันเป็นเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้แหละที่มันมันกั้นเราเอาไว้เขาเรียกว่านิวรณนคือสิ่งที่มันกั้นกั้นเราเอาไว้ไม่ให้เราทําไม่ให้เราผ่านมันไปได้อะ ไม่ให้เราก้าผ่านเพื่อที่จะไปสู่อีกจุดจุดหนึ่งจากจุดนี้ทีนี้พอมาความง่วงแล้วเราจะติดอยู่กับความง่วงัหมเราจ ะ, อะคอยชมแต่สวนดอกไม้ที่มันเกิดขึ้นกับอารมณ์ที่เราประพฤติปฏิบัติไหมเราไม่ยอมเดินผ่านไปเรามีแต่มัวเดินชมเพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ ที่มันปรุงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดปรุงแต่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นความง่วงก็ตามสวนดอกไม้ของหลายๆคนที่เราต้องเด็ดดมอยู่ตลอดเวลาชื่นชมกับมันคือเราไม่ผ่านมันไปได้ถ้าเราไม่ผ่านมันเนี่ยวิธีการให้มันผ่านทำยังไงลองเปลี่ยนอิริยาบถ เสว่ามันง่วงยืนขึ้นสร้างจังหวัดขนาดที่ยืนมันง่วงเปลี่ยน อ, อ, อิเปลี่ยนแล้วก่อนเปลี่ยนเราก็ต้องรู้ก่อนออที่มันง่วงเกิดขึ้น เ, ออเราก็ต้องรู้มันก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนมันออไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเปลี่ยนปุ๊บปั๊บไปคือ รู้กาหนดรู้เท่าทันมันก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนก่อนที่จะพลิกอิริยาบถนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนไม่ว่าใครเราจะผ่านก้าวจุดนี้ไปได้อย่างไรอาศัยความเพียรเข้ามาช่วยอาตาปาีความเพียรเครื่องเผากิเลสอย่างยริงเข้ามาช่วยกับเรา เขาจะทํำยังไงทีนี้อ่ะสมว่าเราเหนื่อยหนท้อแท้คือจิตมันยังไม่พร้อมมันยังไม่ยอมรับมันนะอ่มันยังไม่อยากได้แต่เราไปฝื้นมันอ่าฟื้นว่าเอ๊ะมันต้องได้นะอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็แนะนําเพื่อที่จะเออให้มันได้ให้มันได้อย่างเงี้ยทำทำทำอย่างเงี้ยเออแต่ใจมันไม่พร้อมเลเนี่ยมันยังไม่ยอมรับมัน มันยังเหนื่อยหน่ายมันยังท้อแท้มันยังปรุงแต่งมันยังสู้ไม่ไหวมันยังถูกเกเรยดครอบงำอยู่อย่างเงี้ไปไม่ไหวสิ่งต่าเนี้ยอารมณ์เกาะกลุ่มอยู่กับจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดเอาไว้ว่าความเพียรเป็นกิตที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ ถ้าเราพลาดโอกาสเราไม่ทำเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราพลาดโอกาสไปตายเปล่าบุคคล น, นั้นก็เป็นหมันเปล่าเสียดายเห็นเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเสียดายเสียดายที่เราเกิดมาแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากม่นบอกกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนแบบเราเนี่ยพอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ได้สมบูรณ์ทุกอย่างอาวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์ก็ยากออกแหละที่จะได้ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็ยากออกแหละที่จะเข้าใจในธรรมพอฟังธรรมแล้วที่จะมาประพฤติปฏิบัติก็ยากองแหละที่จะประพฤติปฏิบัติเห็นไหมยากขึ้นไปเป็นลาดับเรื่อยๆแต่บุคคลผู้กล้าหาญศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา กำลังทั้งห้ามาเสริมเราเลยเนะี่ยเข้ามาเสริมเราเราก็จะมีกําลังเกิดขึ้นศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมเชื่อมั่นในตัวเองว่าทําได้ไหมเรื่อหากว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทําไม่ได้มันก็หมดเลยนะหมดสภาพไปเล ย, เลยสู้ไม่ไหวแพ้และตั้งแต่เริ่มต้นเวริยะความเพียรกล้าพอไหม พอที่จะสู้ไหมอย่างเงี้ยสติพร้อมหรื อ, อยังสมาธิคุณแน่ขนาดไหนคุณมั่นคงมั่นคงขนาดไหนปัญญาคุณทบทวนไปตรองดีแล้วหรื อ, อยังในสิ่งที่คุณกระทำเงี้ยครบองค์ประกอบทั้งห้าประการเนี่ยเรียกว่า กำลังทั้งห้าที่จะมาเสริมมาหนุนตัวเราให้เราเก้าวไปข้างหน้าผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าหลวงพ่อท่านก็พูดเมื่อคืนนี้ใช่ไมเรื่องเกี่ยวกับอานาปนาสติสิบหกประการมีอยู่แปดคู่ด้วยกันท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจยาวหายใจออกสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออก ยาอ่งี้แขนเราก็เหมือนกันใช่การเคลื่อนไหวอาศัยท่านลมท่านบอกอามาประยุกยุกใช้เราไม่ได้กำหนดลมหายใจที่จมูกแต่เราอาศัยกำหนดที่มือแทนเคลื่อนไหวด้วยมือแทนมือเราเข้าออกเร็วช้ า, าก็คือสั้นยาว ยกขึ้นสั้นยกขึ้นยาวขนาดไหนอยู่ประมาณนี้นี่คือรู้ลมเคลื่อนไหวด้วยกายกายเคลื่อนไหวแล้วดูแบบนี้พระพุทธเจ้าตั้งก็ยังพูดต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทำนั้นเธอต้องกระทำเองท่านพูดนะ พระพุทธเจ้าท่าก็ได้แต่แนะนําทําแบบนี้แบบนี้นะแล้วไปประพฤติปฏิบัติอส่วนการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอหน้าที่ของเราคือประพฤติปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาแนะนําบอกสอนกับพวกเธอส่วนพวกเธอจะรู้จะประพฤติปฏิบัติตามจะรู้ตามนั้นเป็นหน้าที่ของเธอนะ คุบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเนนี่ท่านก็แนะนําแนะนําให้กับญาติโยมได้ฟังเป็นสหายธรรมเป็นกัลยาณมิตรในการประพฤติปฏิบัติเป็นเพื่อนประพฤติปฏิบัติธรรมมานั่งในการประพฤติปฏิบัติคอยประพฤติเป็นตัวอย่างเราก็ประพฤติปฏิบัติตามเอาแบบอย่างคุบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์สู้ได้เราก็สู้ได้ครูบาอาจารย์ทนได้เราก็ทนได้อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านปล่อยท่านทมไปคนเดียวเราเหนื่อยแล้วทักหมดเลยจบเลยอย่างเงี้ยนี่คือการประพฤติปฏิบัติเวลาที่เกิดความอ่อนแอเกิดความท้อแท้ให้นึกถึงบุคคลผู้ที่ประสบผลสาเร็จพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติมากก่อน บุคคลในครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกันว่าเขาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแลกกับธรรมะอย่างไรมีภิกษุณีนางหนึ่งประพฤตปฏิบัติธรรมแล้วก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ปรากฏว่าไปหลงรักนางภิกษุณีเข้าอืเห็นนางภิกษุณีสวยก็เลยรักภิกษุณีนี้เป็นผู้บรรลุธรรมละ มีจิตตั้งมั่นคงดีเป็นพะระอรหันต์ล่ะปรากฏว่าพิสูุนนี้ยังไม่เป็นยังเป็นปุถุชนอยู่เป็นคนธรรมดาปรากฏว่ารักพิษุณีภิกษุนอนนี้ก็เขียนจดหมายส่งไปหานางพิษุณีนางพิษุณีก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอมาวันหนึ่งพิสุณีพิจารณาเห็นว่าอินทรีย์ของพิษุณีแก่กล้าพอละพอที่จะ บรรลุธรรมก็เลยในถ้ำกลางประชุมภิกษุภิกษุณีสงฆ์นางก็เลยขอโอกาสในที่ประชุมบอกว่ามีพิกษุรูปหนึ่งได้ส่งจดหมายมาหาดิฉันแล้วก็เขียนพรรณนาถึงเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องความรักเรื่องอย่างนั้นอย่างเงี้ยบอกว่าตาสวยอย่างเงี้ยตานางพิสุณีสวยอย่างนั้นสวยอย่างงี้สวย พิกษุณีคนนี้ซึ่งเป็นอรหันต์เนี่นะก็เลยควักลูกตาของแกนี่แหละในถ้ำกลางพิสุภิกษุณีสงฆ์นะให้กับพิสุรูปนั้นอ่ะพิกษุรูปนั้นที่บอกว่าสวยๆๆเนี่ยนะควักลูกตาให้ยอมสละชีวิตให้ให้กับพิสุรูปนั้นพิกสุรูปนั้ น, น, นนะตละตนนนนตลึง ไม่คาดฝันว่าจะเป็นแบบนี้ได้แต่ลูกตาเขาจะเอาไปทำอะไรลูกตาเขาดวงตาที่ว่าสวยๆนะเขาควักให้เลยยอมสะละเพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่ายอมสะละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตยอมสะละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสะละชีวิตเพื่อรักษาธรรม นางพิกษุณีคนนี้ยอมสละเอาไว้เยอะวะคือดวงตาหรือลูกตาของแก่เพื่อที่จะให้พิกษุรูปนั้นนะได้บรรลุธรรมเพื่อแลกกันอโปรดเขาเพราะฉะนั้นถึงพิกษุรูปนั้นนะได้แต่ดวงตาเขาเท่นี้อได้ดวงตาเขามาสันเลยท่นี้สันเหมือนกับลูกนกเลยพิกษุรูปนั้นเป็นปุถุชนอยู่ตอนนั้น อสันพิจารณาไปพิจารณามาเจนเน่ทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีในถ้ากลางที่ประชุมนั้นนะพากันมุงดูแต่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นเนี่ยกดดันอย่างแรงมากนคนทั้งหลายนะทั้งภิกษุภิกษุณีเอดูภิกษุรูปนั้นรูปเดียวแล้วนะะภิกษุรูปนั้นะได้ดวงตานางภิกษุณีนะ สันปรากฏว่าพิจารณาธทมไปพิจารณาธรร ม, รรรมแก่บรรลุธรรมเลยเนี่ยโอ้เห็นไหมคนนั้นน่ะเขายอมขนาดนั้นยอมควักดวงตาให้เพื่อที่จะแลกกับภิกษุ ร, รูปนั้นให้บรรลุธรรมนะมีใครกล้าสละเต็นขนาดนั้นมึไหมเนี่ยกล้ายอมสละดวงตาขนาดนั้นไหมเนี่ย เพื่อที่จะแรกกับธรรมะเอาสละให้กับตัวเองดูสิทีนี้สละความง่วงสละความโกรธสละความไม่พอใจความพอใจสละให้มันออกดูสิพวกนี่นะเราไม่ต้องไปสละถึงขนาดควักลู ก, ลกตานะนี่คือตอนนั้นนะตอนสมัยครั้งพุทธกาล น, น, นะ คนที่ประพฤติหนักก็ประพฤติหนักจริงๆคนที่ประพฤติเบาๆก็ได้บรรลุธรรมเร็วๆก็มีเหมือนกันความแตกต่างระหว่างบุคคล่อะอย่างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยอะเป็นคนรวยมาก่อนเป็นเศรษฐีมาก่อนแกมีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกดนะนะขอลูกขอเมีย อ, อนุญาตลาลูกลาเมียมาบวชบอกว่า จะไปบวชทราบซึ้งในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไปบวชไปบวชอยู่นานเข้านานเข้าเนียน้องชายทรัพสมบัติของแกแกก็ยกให้น้องสาชายแกไปน้องชายแกก็แต่งงานก็มีภรรยาภรรยาก็กระซิบกับสามีของตัวเองว่าทำยังไงเราถึงจะได้ทรัพสมบัติ ของพี่ชายของเธอเนี่ยเอามาครอบครองทั้งหมดหาวิธีการด้ยวยซิก็เลยแนะนำวิธีการให้ไปฆ่าฆ่าพี่ชายซึ่งบวชอยู่พี่ชายบวชอยู่ตอนนั้นก็าประพฤติปฏิบัติธรรมน้องชายก็จ้างโจรนั่นแหจ้างคนไปฆ่าฆ่าพี่ชายก็ปรากฏว่าโจรเขาก็ไปก็ไปฆ่า ก่อนที่จะฆ่าแตเนี่โจรเขาก็จับจับก็พระภิกษุรูปนั้นแกก็ขอร้องชีวิตว่า อ, อย่าพึ่งฆ่าแกเลยแกปฏิบัติธรรมก่อนได้ไหมขอปฏิบัติธรรมสักหนึ่งคืนผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วค่อยฆ่าโจรก็บอกว่าไม่ได้ต้องตายสถานเดียวนี่คือคำสั่งน้องชายของเธอ แกก็เลยพิสูจรูนี้เกก็เลยตัดสินใจเทนเนี้ยหยิบก้อนหินเอามาทุบขาตัวเองไงเนี่ยทุบแข้งทุบขาทั้งสองข้างกระดูกหักเดินไม่ได้เนี่ยขอแลกหนึ่งคืนเพื่อที่จะรับประกันว่าไม่หนีไปไหนก็คือไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะขาทั้งสองข้างนี่หักเดินไม่ได้ ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วโจนเขาก็เลยนั่งรออยู่นะทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าจะจัดการฆ่าอย่างเดียวว่าอย่างนั้นนะทิ่สุรูปนี้นะ่ะขาทั้งสองข้างเนี่ยหักท่านก็พิจารณาเวทนาความเจ็บปวดพิจารณาไปพิจารณามาก็ปรากฏว่าท่านเข้าใจธรรมะโอ้สิ่งที่มันเจ็บปวด มันไม่ใช่เราว่าอย่างนั้นนะมันเป็นสภาวะอาการของมันเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็เลยเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอิสระต่อสังขารก็คือต่อร่างกายนั้นเมื่อมันเป็นอิสระแล้ว ความเจ็บปวดมันก็เรื่องเจ็บปวดก็เป็นเรื่องของรูปของมันแต่ใจนี่เมื่อมันอิสระจากสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เรายึดมันมันเป็นอิสระมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาแกก็สว่างโล่งแจ้งบรรลุเป็นพระรหัน์ในคืนนั้นเห็นไหมนี่คือบุคคลที่ทุกทรมานขนาดนั้นเขาประพฤติปฏิบัติ ทีนี้มาเปรียบเทียบกับเราเรายังไม่ได้ขนาดนั้นนะเอาเราแค่นั่งนานๆแค่นี้แหละปวดละอย่างเงี้ยพอปวดแล้วทนไม่ไหวละพิกละอย่างเงี้ยนี่คือเรานั่นคือเขาเขาทุ่มเทขนาดไหนในการประพฤติปฏิบัติที่พูดมาทั้งหมดเนี่พูดทั้งเรื่องภายนอกและภายในภายนอกก็คือตัวบุคคลอื่น ภายในก็คือตัวของเราเห็นีหมตัวเราเลยเห็นีหมสาคัญแหละเห็นีหมเราจะพิจารณาตัวเราอย่างไรเห็นีหมยกมือสร้างเจ้หวะเคลื่อนไปไปมาละเี็นีหมหน้าที่ของเราเราต้องทําละเห็นีหมทาเพื่ออะไรเพื่อให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรจากทุกในวัฏสงสารนี่อ่านี่คือเรามาทําแบบเนี้ยเหตุผลที่ต้องทําต้องทําต้องมาประพฤติมาขัดเกลาตัวเองเนี่ย ออกจากกองทุกข์เหล่านี้ให้มันได้ทำไมถึงต้องออกจากกองทุกข์เพราะถ้าไม่ออกจากกองทุกข์แล้วก็จะวนเวียนอารมณ์สิ่งอื่นๆมากกระทบกับเราแล้วก็จะพอใจบ้างถ้าเป็นสิ่งดีถ้าไม่ไม่ใช่สิ่งดีเราก็ไม่พอใจเพราะอารมณ์สิ่งเราอื่นๆมากกระทบกับเราเราพอใจและไม่พอใจ นั่นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจและความไม่พอใจในโลกก็คือสิ่งที่เราพอใจและไม่พอใจตัวเราเนี่แหละในตัวเราเนี่แหละคือทั้งหมดเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงพุทธพธรรมอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหล ะ, ะมากระทบตัวเราเนี่ยแหละสิ่งที่คนอื่นสรรเสริญ โอ้ท่านไปปฏิบัติธรรมเก่งเนาะอย่างเงี้ยดีใจล่ะปฏิบัติธรรมได้ทำได้นานนั่งได้ทนโอ้ดีใจละถ้าสมมติว่าเขามาพูดโอ้ท่านจะไปปฏิบัติธรรมต่อไหมนี่คือคนโวนะ่หน่าเนี่ยนั่งประพูดปฏิบัติธรรมแบบนี้ยนะไม่ไปทํามาหากินนะเนี่ยนั่งไปก็คิดไปอย่างเงี้ย ก็เขาก็พูดกระแกนกกระแนอย่างเนี้ยนี่คือความไม่พอใจเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนั้นออกเสียได้คือในตัวเราเนี่ยแหละที่มันมากระทบกับตัวเราโลกก็คือหมายถึงตัวเราอคำว่าโลกถอนออกจากความพอใจและความไม่พอใจอาศัยอะไรอาศัยกายเพียงเพื่อรู้ กายเราเนี่ยนะแต่แท้ที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกแต่ว่าเราอาศัยกายเพียงเพื่ออาศัยเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกรู้แล้วเธอก็ไม่ยึดมั่นอะไรในในในในในกายของเธอนะตัณหาและทิฏฐิก็คือความเห็นความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆ ก็ไม่สามารถที่จะครอบครองเธอได้ครอบครองเธอเลยใจเธอเลยนะเราเนะี่ยครอบครองเราเนะี่ยใจเราเนี่ยนะคิดว่าเป็นเราเป็นเราเยอะเลยตัวตนของเราเนะี่ยนี่คือคือข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติธรรมเวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราทําเพื่ออะไรทําเพื่อทำเนี่ยแหละทําเพื่อทำ ยกมือขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําท้อถอยก็ทําท้อแ ท, กทออแอ้ก็ทำํำบ่อนแอก็ทําเบื่อหน่ายก็ทําทําไปดูสิสิ่งนั้นเนี่ยทําไมเราท้อแท้เอ๊ะทำไมท้อแท้ท้อแท้ก็ต้องทํามันเออสู้มันเห็นไหมก็คือวิริยะนั่นนะวิริยะวิริยะแปลว่ากล้าพอไหมเพียรพอไหมกล้าสู้กับตัวเองไหม ฟืนกับอารมณ์ต่างๆไหมถ้าเราไม่ฟืนมันเห็นี้มมันก็จะนอนเนื่องปล่อยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอปล่อยตามอารมณ์กระแสต่างๆไปเรื่อยๆแล้วทํานานเท่าไหร่เป็นร้อยปีก็เหมือนเดิมเห็นไ<ๆ>้ยเอ๊ะพฤปฏิบัติธรรมาตั้งนานเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้แล้วเพราะว่าเราปล่อยไปตามมันด้ตามอารมณ์ของมันเราไม่ได้ทำแบบทำเพื่อทำอันนี้เราทำไปตามอารมณ์มันมันก็ไปนะซึ่ว่ า, าเราไปเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยยกมือทั้งวันเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวเราไหมอารมณ์เคลื่อนไปไป ม, มันอยู่กับเนื้อกับตัวเรา หรือมันไปที่อื่นถ้ามันไปที่อื่นแล้วก็แสดงว่าเปิดเซียนที่จะรู้ธรรมมันน้อยถ้าเป็นนักลงทุนก็ขาดทุนนั่นแอเรายกมือสร้างจัง่างหวะไปสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิไม่ตั้งมั่นอยู่กับตัวมันขาดทนุนลงทุนแล้วขาดทนุนเสียเสียกำไร แต่ถ้าลงทุนอา่าสว่าเรายกมือสร้างเจ้าวะไปสางเจ้าวะมาเออสะสมไปเรื่อยๆสะสมความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอารมณ์ไปเรื่อยๆสะสมเ อ, อมันจะตั้งมั่นอยู่กับเรานา น, น, นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยมันพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นนี่มันจะรู้ตอนนี้แหละตอนนี้แหละที่มันสําคัญแหละตอนเนี้ยธรรมะมันจะเกิดตอนนี้แหละเกิดอารมณ์ ปัพเกิดมาเลยแหละทีนี่โอ้เกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาทันทีเกิดเอตคตาก็จะเหลือแต่สติอันบริสุทธ์ล้วนๆนะทีนี่พอขึ้นมาก็สว่างโลุกแจ้งขึ้นมาภายในใจละทีนี่ยสิ่งนี่แหละที่เราต้องค้นพบแหละทีนี่สติเราทําไปบริสุทธิ์รุวนๆนะบ้านเนี่ยโอ้มันไม่มีอะไรมาเจียบบวปนละทีนี่เนี่ยสิ่งเราเนี่ยสิ่งที่เราเอ่อ คนคิดต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยเนเนี่ยก็จะไม่มารบกวนเรถึงมันมารบกวนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้น่ะเนี่ยเพราะอารมณ์สติของเราเนี่ยมันคอบคุมแล้วเจนเนี่ยมันได้แล้วมันได้ที่มันเต็มที่แล้วตอนนี่แหละที่มันสำคัญเนี่ยไอ้ที่มันไม่สำคัญก็คือตอนที่เราทำไปยกมือไปได้นิดหนึ่งแล้วก็ปรุงแต่งไปเลือดไปอารมณ์มันออกออกจากความรู้สึกมันไม่ตั้งมั่น ถ้าอารมณ์มันตั้งมันงม่นไปเรื่อยๆตั้งมั่นไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันมันก็จะสว่วสมอุณหภูมิไปเรื่อยๆได้ระยะหนึ่งเหมาะสําหรับแก่การที่จะรู้แล้วมันก็จะปุ๊บทันทีนี่คือสภาวะอารมณ์ของมันมันจะอยู่ตรงนี้ที่เราทําไปเรื่อยๆอทําไปทําไปเนี่ยนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการเรือแต่สติ อันบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละอารมณ์ไม่เจือปนนะนี่ที่ต้องทำที่ต้องฝึกที่ต้องประพฤติปฏิบัติที่ต้องขัดเกลาตัวเองไม่ยากนะทีนี้พอเรารู้เทคนิคนนเฮียนี่ลองทำดูสิฝืนมันดูทาไปทำไ ป, ำไปเอาให้มันตั้งมั่นอยู่ในที่เราทำตั้งมั่นดี ความห่วงก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยทีเนี้ยมันไม่มารบกวนเราอีกความฟุ้งซ่านความลาคาญความหดหู่ใจความลังเลสงสัยอะไรต่างๆมันก็จะสลายไปหมดอ่ะทีเนี้ยสิ่งนู่นเนี้ยมันก้าวข้ามสิ่งตรงนี้ไปนะมันก็จะไปพบสิ่งอื่นขึ้นมาแทนที่ก็คือรางวัลที่เราจะได้รับจากการที่เรากระทาเนี่ยอ่าออคือรางวัล ที่มันรอเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้เราฝึกก่อนได้เขาให้ไปเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหน้าเราลองเดินไปเดีอยวซิถ้าใครเดินผ่านใครชนะก็ได้รับรางวัล น, นั้นไปทุกคนมีอยู่แล้วเดี๋ยีหลวงพ่อเทียนท่านพูดบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดฝรั่งอเมริกาคนลาวคนไทยคนยวนคนเวียดนามอะไรมีเหมือนกันหมดทุกคนว่าอย่างนั้น เพียงแต่ว่าทำดูซิมันขาดอยู่แต่ที่ว่าเราไม่รู้เทคนิคมันนี่แหละพอเรารู้เทคนิคมั น, นทํามั น, นทำทั้งวันก็ได้แหละเทเนี่โอ้สบายเลยแหละเทเน่ไม่งุดงิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญเกิดขึ้นละเทเน่ไม่พอใจไม่ดีใจละเทเน่ไม่เสียใจอีกละเทเนี่ก็ทําได้ละเทเน่ทำแบสบายผ่านไปอารมณ์สบาย <c oughs> ไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็แล้วแต่ออกไปข้างนอกก็แล้วแต่หรือทําอะไรก็แล้วแต่ีีนพอมันมาอยู่กับเราแล้วสบายเลยทีนี้ทุกก็จะลดลงลดลงลดลงลดลงจนไม่เหลือทุกข์น่ะเท่นี่คือข้อคิดในการไปปฏิบัติอยากจะให้ทุกทกุท่านทุกทุกคนนะนะั่นแหละ ได้เก็บไปเป็นข้อคิดว่าการประพฤติปฏิบัติของเรามันเป็นแบบนี้เราลองฝืนอารมณ์เร า, าฝืนความรู้สึกฝืนความนึกคิดของเร า, าเราจะไปตามมันกิเลียดมันหลอกเร า, ารู้ไว้ว่ามันหลอกเรามันพาเราไปโน่นพาเราไปตรงนี้ยิงฟังทำเคิร์เคิมไปหลับไปตื่นขึ้นมาอ่ะ จบแล้วนนเสร็จเลยเนี่ยเราอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อกิเลสมันมันหลอกเราหลอกเรามานู่นหลอกเราไปนี่ออันนี้คือเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้ า, ามันบอกว่าอ๋อแบบนี้แบบเนี้ยลองใช้ดูสิอะอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านผ่านมา ก, ก่อนอย่างเงี้ยท่านก็เป็นเหมือนกันง่วงก็ง่วงเหมือนกันใช่ไหมอ่ ทุ ก, ก็ทุกเหมือนกันเนียก็ผ่านมาแบบนี้ก็นี่แหละก็คือเป็นธรรมแต่ว่าเป็นฝ่ายอากุศลธรรมก็มาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยต้องขอคำเจียดทานยิงพูดดีใช่ไหมเราง่วงสแสดงว่ามาถูกทางแล้วะเราหงุดหงิดเราโวกวายสั่นแสดมาถูกทางแล้วแต่เราจะต้องก้าวผ่านไอ้สิ่งเหล่านี้ไปได้เห็นไหม ใครๆก็ผ่านเส้นทางนี้แลหละเดินตามเส้นทางสายนี้เส้นทางซ้ายอื่นก็เหมือนกันอย่างงี้ย น, นะคนเราเดินผ่านมานี่ก็ต้องมาพบกับจุดๆนี้เราไปที่นี้เขาก็ปักเอาไว้แล้วปักธงเอาไว้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างเงี้เห็นไหมมีอย่างงี้อย่างงี้นี่ก็คือสภาวะของมันมันเป็นแบบเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดิบเลี้ยงอารมณ์เราเนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเพื่อทำทำไปยกมือไปสร้างจังหวะไปอารมณ์บิดอื่นแล้วก็อย่าไปเชื่อมันความคิดนึกคิดปรุงแต่งมันจะคิดดีสร้างสวรรค์วิมานในอากาศนึกคิดปรุงแต่งโวยอันนั้นมันหลอกเราเลยนะหลอกเราทั้งวันนอะให้เราคิดปรุงแต่ง มันก็จะคิดสิ่งดีๆใช่ไหมทำคิดปรุงแต่งสิ่งที่ดีๆอย่างงั้นดีอย่างนี้นดีทําทอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือมันหลอกเราไงหลอกเราไม่ให้ได้ดีไงหลอกเราไปหลอกเนี่ยสิ่งเ ห, หล่านี้ทำให้เอาทำให้เ อ, อ, อาเนี่ยความรู้สึก <c oughs> เอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ขณะในการประพฤติปฏิบัติธรรมเชื่อเถอะ พอมันได้จังหวะแล้วมันจะได้เองของมันนะในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนะไม่นานเกินรอไม่รู้ตอบไม่ได้อย่างนี้ว่าเท่าไหร่อย่างงี้สิบปียี่สิบปีบางคนก็นานบางคนก็เร็วบางคนก็ปลานกลางก็แล้วแต่บุคลิกลักษณะของบุคคลพร้อมเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะได้อเขาเอาตรงนั้นเขาไม่ได้เอาระยะเวลา แต่เขาเอาความตั้งมั่นของสติสมาธิมันตั้งมั่นอยู่นานเพียงใดหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็ได้แค่นั้นสามนาทีสิบนาทีห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงพอมันตั้งได้ประมาณนั้นมันก็โอเคละเลยนะืมถึงว่าพร้อมละพร้อมที่จะประทุขึ้นมาละธรรมะที่จะประทุขึ้นมาละ ของจริงละทีนี้แต่ของไม่จริงมันก็คิดปุงแต่งไปเรื่อยๆของจริงมันก็เราสะสมสะสมอสติสมาธิเอาไว้เยอะๆรวมตัวเข้ารวมตัวเข้ารวมตัวเข้าเดี๋ยวมันก็ปัทุขึ้นมาอปะทุขึ้นมาก็สบายเลยน <c oughs> นเนี้เหมือนกับไข่เนี่ยที่มันมีตัวตัวอยู่ข้างในใช่ไหม แม่มันกบกบไข่พอกบไปกบไปจนถึงเวลาหนึ่งลูกไก่ในไข่นะมันก็กระเทาะเปลือกออกมาก็โผล่ออกมามันก็เหมือนกันกับการบรรลุธรรมของเราเราสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ประตู ข, ขึ้นมาวันนี้ก็คงสมควรเก็บเวลาเนะาะไหวพระพร้อมกันแล้วก็รับอาหารอนโมทนาสาธุกับทุกๆุกท่าน